เาที่เราโง่ท่านยังสร้างเมืองใหญ่โตให้ล้านลูกอยู่สบายแล้วเราทายาทที่บอกฉลาดเลือดไหมีบ้างไหมสักรายสร้างความหมายเมื่อคนโงน่นี้คอยจ้องโกยกอบทั้งชอบทั้ง ร่ำรวยกันจนสุดฤทธิ์พิชิตอันดับเศรษฐีสักพยากรโดนกร่อนจนเกือบไม่มีต้นไม้แร่ตายนาทีขุนเขาคิริก็โดนทำลายทุบแม็ดดินกรวดยายทั่วตาปูลีรา เกิดราดปูบนอยู่กุ้มัดขวดใสยได้แผ่นดินนี้ที่มีสินทรัพย์มากมายเราขุดเราโคนไปขายเหมือนเชื้อนเนื้อกายไทยบันชาการไม่เติมไม่ต่อเห็นมีเพียงตัดสร้างความร่ำรวยทางลัด ดลัดกันคลานท่านรวยพร้อมสัพจากสัพคุณนโง่โบราณดอกไม้ซื้อใส่ในพนันบูชาวิญญาณ ต่อเห็นมีเพียงตัดสร้างความร่ำรวยทางลัดจองนัดผู้อักลัดกันคลานท่านรวยพลอมซับจากสับคนงู